ยี่สองจิตที่แห้งสนิทสมควรแก่การบรรลุธรรมวงเล็บเปิดสิบห้าธันวาคมสองพันห้าอห้าสิบในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสิบสี่วงเล็บปิดพระพุทธเจ้าสอนว่ามีบุคคลหลายประเภทบุคคลชนิดหนึ่งเหมือนไม้สดสดแช่อยู่ในน้ำบุคคลชนิดหนึ่งเป็นไม้สดแต่ว่ายกออกมาจากน้ำแล้วบุคคลชนิดหนึ่งเป็นไม้แห้งอยู่พ้นน้ำขึ้นมา เราจะภาวนาจนกระทั่งยางในใจนี่แห้งไปเรื่อยจนแห้งสนิทเลยจิตใจที่แห้งสนิทนี่นะใกล้เคียงพร้อมที่จะบรรลุสมควรแก่การบรรลุธรรม